เพ่อแม่คู่บาอาจารย์เขามหุ่มเล็กหุมพางเองพ่อแม่คู่บาอาจารย์ไม่เกียรไม่ยดนั่งบอกพ่อแม่คู่บาอาจารย์รับมือเสื่อมตัวตลอดถึงวงะกูลของพุทธศาสนากนับหมูอเสื่อมกย่านย่อมกเสื่อมหือนกันเสื่อมทั้งสองข้างเลวสิคันพ่อแม่คู่บาอาจารย์เข้าใจว่าเล็กพระพารบัเบื่ๆมันจะเป็นทางเจริญทั้งวายพระได้สายย่มอยู่หระพ่อแม่คู่บาอาจารย์มาถึงถ้ำที่ก็บ้าน่นะเฮ่เียงกันจะี นอกุทิพรวันเน ha, ANS, ี <c oughs> Bailey, ่ยกลนจกะตะกะแตกวอนนี่นาเียงท่านนี้เที่ยวกููบาอาจารย์ท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีตัวเขาแมงหงนั่งชี้ทั้งทีแล้วหนึ่งเขามงหงนั่งชีทั้งีเขาแมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติปฏิบัติสอบพระพุทธศาสนาก็ไม่เกลียดว่ยแล้วก็เป็นทางของพุทธศาสนาอีกด้วยวะเป็นทางนําเลือของพุทธศาสนาด้วยเขามหพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยเรียนเเรียนพาเรียนวัดเรียนเบอร์ ก็มิเดเสียเสียซื้อเสียพงพ่อแมกก่ครูบาอการร่วมตระกูลตลอดทั้งพระพุทธศาสนาตลอดทั้งตัวของพอ่อแม่คููบาอการตลอดทั้งงานร่วมผูมิไม่ไผใดมิได้เสียทั้งงานวะฉันโยมเสียพผักเสียรบไดรทั้งสองทางเสี ย, ยประโยชน์ทั้งสองทางมาเนาะฉันแลาวอะไรพระพระว่าน้าฉันได้ห้องในห้องมือออกซื้อเสียงท่านนี้พอข่วาวองสิจัด แ, แตกหุ่นบานึงท่นเมกี้นั่งเข้าใจว่าห้อสิมีรับรมเข้าอยู่ เขา่อว่าทั้งขนานั้นทั้าอแตกวุ่นทั้งน้อเสียงขอกู่าายจามากเดยยังมนี่วะมุตโตคนนี้เขตีข้อหมายยุบบอกว่ามันไถู้เขาได้ยนี่วะมันเขาได้สะมาสีเดือดหอนวามันบดหอดใหยหอนหน้าไม่มนติดต า, ายเป็นประเทศที่มนติกลายเป็นประเทศที่พุ่งยอดนี่รับมันก็ขอบเลขของโต๊ะสิน า, าวาขายทีดินที่รอดด้วสู ง, ง, ง่านี้วะมตโตยังบานม่ือบอกว่าวาไปก็ ง, กว ไ, วงไว นั่ง น, งน่งออกป่องนี่นี่นั่งอ อ, งปองกป่องลูกอันองปองผู้ต้ตำอยยี่จังหวัดน่าเอ็ดนี่สมัยเตือนอยู่นี่อันนี้เก่งเทเลสินุพูดเลยสมัยเตือนอยวู่มันไปลยู ph ph น้ำผู้สีน้งหลวงผู้สีมันขับไปว่าหนาว เ, เกเลยนินี่ล่กไปยืนหลวงผู้สีกระอนี้ลูกเอ็เพ่อเขาบว่าท่นเขาต้องได้ผูกไปแล้วมันถือว่าถือกับว่าเป็นปัญหาเลยวะ มันเกสียอิสระเลยว่าเอามาถกขันทีหนีวะมันก็เป็นภราเล็กพระพาพระบัสพรบืญเจาวะพระเอกเราต้องลทิไปนะมีแต่คนสัมชุ่มสูงสัมวนละมานนี่บางคนสัมชุ่มีอยูเยสองสคนสีคนจ็กจิรค่าออกาแล้วเขาหายแอรอขม่ารอขม่าแหวนขม่าแหวนขม่าไอ้เจีนึกว่าท่าหอนทีนึกว่เทียบกู้บอาจารย์ด้วยทว่อแม่กูบอาจารย์ไอคนผุเล็กขุมพามาว่เ ดาเห็นยังคาเมื่อ ด, ดีตัวเขามาหาแชเขามาหาดีตัวเขาเขามาเขามาชามาื่อกษดีตัวระาเขาฤกพอแม่คู่ว่าอาจารย์ปฏิบัติดีปฏิบัติสอบนะมั น, นก็มเหมือนกันว่าพระชาฤกทั้งเทั้งผานมันกลมาบทางวัคติศาสตนะขนพ่อแม่คู่ว่าอาจารย์ั้งเขาใจว่ า, าเด็กฟ้าวัดบื้อโบเบียมันเป็นทั้งเจริญแห่งประเทศชาติร่นเรื่องตลอดองพุทธศาสตร์ศาสนาโย ่มคู่าเขาพราะทั้งท่ า, าที่งจะพอดึงจะหเงหลุนตายไปตายหรือห่อขับับขับนะไปหาพ่อวนาทิตาลันเนาะสมครยังนู้อย่างนี้ห้องบอกซื้อสมควหนัาบอกหนันนกชีนั่ ง, านนา ง, งพ่วนาหมอาเขาเขาบชเสื้อเนี่ยชีวดเข้าตั้งเดือนนึงห้องเาบวช่องเลยนี้ เขาบอกว่าฮ็ดรอคือคือเร่อนี้ืนขาวเดวอาปลากินต้อเกี้มือเกี้ยพื้อนเขากะบ้อัดสังจัน่เลยเนี่ยมองสันว่าบักินเราคอจะกินลรแท่นเลยสันอาบปืนคาเดียวเกี้มือจกขึ้นเขากะบ๊อบเขบไว้ด้อะเนี่ยเ้าบุญบบสเดิอไร่องสันว่าทีไปวายงพวกนั้นเขาจะตายข้าวเขาเขาเขาก็บ๊่เากบ๊ออัดสังเันีเยเน่มอัดจัว่าอััจันท่ม เขาบ้านทิศทีแห้งมือแหงนะแต่เ่มข้อมอบ้อด้ไปอย่างถต่เพิ่มข้อมอบ้องมันก็ไม่นำนักตัวอย้าช่นชื่อว่าสอสายเ้าอยู่อย่างนี้ผมก็สั่นเข้ามามุตุเขาบอกว่เลยกเข้าแนวบอกว่าเสร็จแล้วเข้าก็นไรเลิกคนเรีนบัดเรีนเบอร์เป็นยังเข้านีกบอกว่าเสร็จเวาเนี่ยเงินเยอคุณสาผู้จากได้สั่นมือกันบอกเบิ่งขึ้นนี่คุณสาม โว้กบของเมีนมันบอคือคนยังเมียคือผีเดี๋ยวไอ้ประกอของเมีนโอ้คนยิบคนคน ห, อหอ่นหอบ่ะยิ่ห่อิห่อเนี้ยทับพ้อจากตรงกําว่าสนหอคุณสาวคนนี้ว่าศาสนา บ, บนาพ้อว่าสนเพื่อได้หยาไฟตัวว่ามันบอกอ น, นาว่าศาสนาสารตัดสีมันก็มีอยู่ในตัวอลไได้เไปไอ้ไผมาตัดสอยู่นี้ว่านาห พอออกระเทศที่ปุ่นมึงเนี่ยคล้ายให้ายหน้าอันม่งเีไฮไม่น่ามึงกระสานตัินกสาใต้สวนอยู่ในหันเลยว่าันมีไ้ก็เมือไฮมนาก็หน้าแต่ไปคล้ายไปตัดสวนไต้สวนอีกยบไสั่นออย่างเงี้ยผลสงครามมจะใช่เอีกยบไปั่นล้วรหัวอันนั้นว่าไม่เอาพในหารห่างั่นพูดทดีดีพูดทับชัวเลยซัวมันก็เป็นอ่ในหานอยู่ในตัวเลยนี่นั่งเป็นโรคทิพย์อยู่ในตัวละถ้าบอดีมันิพหายไปด เลกิบผ so ู้ทดีก็บม่เห็นทิพย์หายไรหวอดเผู้คนปฏิบัติดีปฏิบัติสอบก็เห็นเี่ย่บว่าโลกทิับชางน้องูมหามนดูมันใจทิพท่องทิพย์ผู้คนปฏิบัติดีกับเขาเพเห็นว่าจะเอามานี้ก่อนมุ่งก็อมันห้ยฝนยงทำท่ายแห้งฝนยงไรอว่าซันก็บผู้คนเขาอยอะละเอียดเนี่ยคนเงินสามหลังก็ซือหลแล้วก็จิ้บคุกอยู่เน่ก็่อตำแหน่งอยู่เนี่ ชั่สิตลอดชีวิตผมที่ฟันหัวเขาไจักฮัลโหลไปเอื้นหาผลของกรรมใช่ไหมอีกสั่นนังอ๋อกี่นสเสื้อว่าท่าดีดีดท่าตัวยวอะรวยอยู่ยบน่น่อป่องย่งเยอะน้ำกดิงเอะน้ร่งขากินเยอะกุดสมัยหลอกเขาฟังแล้วเน่มันเมื่อยแลคนณ้วนเนี่ยน้งโจมตีขน่อยเลย ว่าน่อยในเรือพาต้ลกปูมันจะไปกินไปท่านออย่างมัดเงินลายหลังลายแสนนะวันนี้ใน็กซีื้อว่าฉันก็ได้ตะบุญนะวันนี้ะไรว่าตีดอกเทยนหมว่าต้อสมัยว่าตีตะกย่งว่าบอกเขาเขียนด้วยว่าถ้าเราเทียวทะเละกันยิบหลักไม้ก็อะไรตัวว่าแขนเอาล็อปูไปชีลด้วยตัวว่าแขนเอาล็อกปูไปชีตด้วยตัวเอาล็กปูเข้าไปในบาเพื่อเจอมรถด้วย เผู้นึงเพื่อนหวังมัจะไปทำวัดคู่บ้าอากาศนเพื่อนก็นลงุงทุนลงแห่ไปตัวลงุงลุ่งทุนจังทับเพียงมาที่มาหากเสือขับเสือไปนะครับเพื่อนแทนเพื่อนเจอรถแถวๆกันอันนางอันนี้กับรถันประมาณจะควงมันมันจะเกิดแมงปองเขาติดแน่นอเขี่ยให้หลังังหลังจังเมือนตัวนี้ไม้ค ว, าว้ามาสิที่รถ ห่างจากใคห่างจากใรหรรถปูคีทห่างจากคี้ทีอะไรอย่าง้ไม่อยางอเซยตละจนไม่อยกไม่อยากงอไปอันสมบุนกับคู่บ่าวอาจจะให้เจ้าปูคี้ให้เอาใจอจ่อมาสักนึกวันน้องปูเข้าไปในบ้านนะจะให้รถปูเจมร ถ, ถออนนจะคล้อง่าสักแล้วเพื่อเพชรพ่วกเพชรขวางก็ตัวขางจะพยายามคู่บา่าวอาจจะก็ต้องพุ่งเลื่องพระเจ้าพระสงฆ์ไปที่เสาร์โตพระเาสวยเอานี้มาสัก มันก็วัถืกว่าสั่งก็เจ็ตนามันก็พิันฟณาฝ่าก็บินไปแล้วกลายเป็นความหมายอะไรกับคุณตัวนี้ก็บวถือกันเนี่ยมาหาพระมากลางคืนม่หมูม่ฝูงอยู่ก็จริงะมาให้โอกาสท่านเเวลาท่านภาวนาเวลาท่านพิจิตรพิจัยของท่านเข้าหาที่สงบนึกจะมาเวลาไหนก็มาแต่ว่ามีมีหมูอยู่ก็จริงแตกไม่ถูก แมก็อน่แมงมาชอบไม้ยามขึ้นออกมาอันนีต้องรอี่ตเห็นถ่วไม้พอห้าวอกถ่ไม้ยังพอห้าวถเป็นผู้บบาอ่นคนเาผาเขาร้านมันขาดไงทั้งหมดซากจะพอห้าเป็นผู้บบาอยู่ห้าเป็นลูกลาห้าออกมาดึงมึงยั่งมุขาดทีท่เขาปฏิญาณกันผาเขาร้านมันสีดำเก้าปีชิ้สีมันตีเขาร้านเน่้าจะเป็นลูกสุดฟองพอห้าวเกียจชี้ป้ป่วนมาออามาดึงมึงยั่งอยู่ อันาไมมมัใในใขาดจังเล็เอาเพอไฟถิมซ่อมหรอเอพอเขาไฟถิมจะไปจะไ ป, ะปทายกระร้าง ท, างางงาท่านงได้ผาไมเพื่อนเนีนุ่งแพพอพอไฟได้มึ่งพอก็ไรหเพอขหังงี้ดีโยผ่าไหมผ่าขวบซีม่ใหืน้นเลี่ยมก้นแล้วก็ามางอ่าล่งสร้างลงมามากอีกลงสร้างลงมามันเกา เรามาเฮดฟื้นทำเรื่อนพาซึ่งนันตร้อยปีผลแลู้ทั่วญาทวดผลแล้วส้มไม้ก็มีอันส้มไมเอาขืนม่ า, าเอาเอาส้มผาส้มเกาลักมาเฮดฟื้นนั่เอาโรคซางโรมาเมาเห้ฟื น, นั่นมีในธรรมบทจูบคนผู้ไปเห็นทวดรบาด ย, ย ม, มุเชื่อเพื่นอ น, นันธ์เริงชินจั้งนะฮ่อว่ไห้ยว่ายขรเน่นท้ท อ, อ, อกมกระางผากระตมบวชลอยพัน้าก็ะตำไม่ใรเนี่ยนท้อ พุทธคบุพุทธะบุต่าพุท ธ, ะะทธปปะหาะรเ่าวธระปะหารชังขับปะหาราวทีบอกว่าตาขยิบหอกกรบบลงชื่อเล็กปนแอ๊กกบบลงขันมิเกตนาอยู่นะขันมิเกตนาว่าอบายมุกทุกประเภ ท, ที่เป็นทา่านเลิกนพูดนั้นว่ถึงทำพรงค์จักขั้วไมคำสอนอภิตกาลพระองค์ จ, งจักว่าได้ลืมรถพระพุทธศาสนาเลยแม้แต่กีบเดียวเขาวางสี่ มุขคงจักรถพพศาสนาเกี่เดียวบอกคงจักรเาวางที่แล้มม า, ากคือซ่อนจักรแของอยมมัดมือมันกิบ่กคงจักรถอันเดียวก่าหวงพอขึ้นอภัยมเราเล่นจริงเราเล่นโุลาเราเล่นรายการพรานั่นค น, คนสคตรซเป็นเมแม่นมัดารมไม่ท่างคกี่หายหนาเดียวมนมีสารหมุซ่อนเลยเหยียข่ น, นทํางายนะท่างที่ชอบมึงท่างเกหายทั้งสินทั้งท่ เจ้งความเป็นยนดูเจะาความจะเกาา่นานะฮะแม่รับย์สินค้าดบได้รว่านภายนอกและฝ่ายในท้อ ย, อยหลังทินี้พ่อแม่จะปั่นมอเตร์รหในดังนั้นล้านกร้างพ่าท่านว่าได้ทอ3สามหมื่นหอกเจ็ดขอดอนไปเลยลูกชายพระคูุดรนแมาขอร่องแถวสามสิบห้องนะจนี้ว่าเขดนจในเสื้อพยายาอ่อเนอดรน่ะจะตัง์ม่ตองดอนหมนี่เงินหลายลูกชายไปคนแก๊ มๆๆาอาไปย้อนได้มึงกังไม่กังแกเอาไป่านบมมัสเอาไปพานมัสเอาไปท่องไทยเลยมันสบายพ่อเขาหายมือนี่สียงมือนี่แหละว่าฉันนี่ปืนมันจีนเราเมาพรอเขาหายมือนี่คือามือนี่แหะว่าฉันมึงจะจูฟเาเราหน้าฉันมึงมเมาหรอกเดี๋ขึ้นไปซ่อนเข้าไปสกปรกมึงจะสุมาเมา บ่ก็จะขาพมานี่หลพอหเลยีนแม่เทวมีวันนึงคอยคอยคอยสั่นบนเนี่ยยลูกซะเน้อแแค่อเราให้มันไปรหลานเราไปเรียัตรหลานลาเสียงหานมึเสียนให้กาว่าปืนงานไซด์เนี่ยคำว่าคำว่ายิงลูกกับคนอยุกแปดทบแล้วพอยุกแปดทแล้วมันจะปฏิทรัพรามันไม่เกิดห้าขาคนเลยมันตกติด หีกไว้ไเลยหลีกคหมาอยเขามีเกียดศาสนาคานเพราะเขาหาว่าทําถวดก่อนศาลเป็นษัทห น, น่อยแ้นี่มันก็เป็นธรรมเทศนาว่าหนึ่งอันนี้สงจากขาพอมันได้บันดาลของพ่อานคาอนอย่ยงหนึ่งช่วนพ่อก็มีความทามวัตถุศาสตร์ศาสนาใครเป็นห้นเอกในโลกก็เพราะระสมาสัมพุทธเจ้าเป็นห้นเอกแล้วี่าไมหมดแล้วเนี่ย เธอทําอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นเธอทําอย่าง น, างนี้จะเป็นอย่างนี้ได้รับผลอย่างนั้นเหตุได้สร้างลงอย่างนั้นเห็นในทางทั้วสร้างลงอย่างนั้นจะได้รับผลแค่นั้นเหตุในทางดีสร้างลงอย่างนั้นจะได้รับผลแค่นั้นจะเป็นอย่างนั้นได้ผลได้พบนี้แล้พบนั้นได้พบต่อๆเรื่อยๆไปถ้าไม่หมดเราผูกองจอจะเปห้าโหนตั้งใสในใจตัวกระถางเขาหมดกฎหมายจะไปห้าหวนนี่ด้วยหมดข้อมาใหยจะเไ็นหาโหนแล้วเกิดมาแก่เก็บตาย ไม่ใช่หุ่นกรือในไต้ลกธาตุเนี่ยไม่มีอะไรกีร่ยงยั่งยืนเกิดขึ้นจกกาแฟาปวนนั่แต่สลายไม่ใช่หนเองหรนีะปวนมากผู้นั้นนั่งท่ำมั้งส่นั่งทำมั้นั่งท่ำตายยังไหนอ่ส น, นั่งท่ำว่าอันพระองค์เจ้านั่งกอนเหรงโงนั่งท่ำพระโงว่าอุ้ยหลวงมุขสีเมียคลายคลายเยอะอมานั่งทำ พราจะ่สัตนะเราเนี่ยขุนเอาหอนบบว่านัทเอารลอนว่านัทเอาห้อนเนี่ยส่วนอยู่ทางขุนอินมันโอ้หลานองปูวะสัตวเี่เอารลอนวะสัว์ว่านัทว่านัทก็มันที่เอารอนมั้งเหรอี่เมื่อเอาอีเมืองอุดรให้ค่าขาไม่เอาแลยัในลูกสองคนคดสีหิเร่องพวกแห้งแล้รวะสั บักรดอมาหนักคนหน่อยคนนีนึ่กูเอาได้ระันมหน่อยมาป่านฟังโอ้ตกที่บ่ายเอ้กินเต่น้นเดือนท่านน่ะอาให้กับว่ามีน่ากับว่ามีกายได้ั้งคืนกับ่ามีสมมติอะมีกูนึงอ๋อสโลมันเดือนสามพันผู้มีมีเงินเดือนทีไปใ่้ยก็นะเนียวผู้มเงินเดือนเนาะพาะมันเสียวดูถูกถ้าผู้มีเงินเดือนเนาะผู้มีเงินเดือนยีไปง่าก็น่า ผู้ห้าเท่ากินเย็นนตกมาเทาเขาอ่่พอแตงเมียพ่อแตงเมียกับมดไปแล้วเดี๋ยวนเจ็บนั่นไหนซสมงกวรกับแตงเมียแตงเมียเรายังไงรถ่อเตอร์ไซค์เห็นผู้สื่อกอนกพ่อสอมแล้วอ่ะนี่แล้วไปแตงเมียมาหางังเงินที่สอมรถมอเตอร์ไซค์อมนี่่นี่รยบร้อ น, นี่ออ่กนันนึ่งหนึน่ลูกเกิดมาลูกเกิดมากลกเกิดมาทีนี่ เกรุงเทพอยนี่กี่คนกี่องค์เนี่ยนะนี่ฟัองออกไหลนะพูดลาวนะส่วนใหญ่ไม่ทอดออกลูกใหญ่โตมาใช่ไหมลูกใหญ่โตมาเขาเข้าโรงเรียนใช่ไหมพอลูกเข้าโรงเรียนบ้างแล้วครับรรนคนที่หนึ่งเข้าแล้วคนที่หนึ่งอายุต้องแปดปีเข้าโรงเรียนหรือสามปีก็เข้าโรงเรียนอนุบาลแน่เข้าโรงเรียนอนุบาล่า ก็ค่าโรงเรียนตามธรรมดาว่าโรงเรียนไม่เกินว่าใช้เงินไปอีกละค่าน้ำเอ๋ยค่าไฟเอ๋ยค่าแค่ป่วยเอ๋ยค่าภาษีสังคมเอ๋ยนั่นระหว่างเพื่อนบ้านทําบุญนนระวังเพื่อนบ้านแต่งงานนั่นระหว่ังเพื่อนบ้านกินเลี้ยงนี่มาเชิญไปอย่างนี้ค่าธบูเอ๋ยค่าเคงเกงเอ๋ยค่าเครื่องนุ่มเครื่องห่มเอ๋ยค่าไฟเอ๋ยค่าน้ำเอ๋ย ค่ารถเอ๋ยค่าเรือเอ๋ยถ้าจะบป่วยเอ๋ยที่ถ้าไปยืมเขาเถนี่ถ้าไปยืมไปกู้เขาเถดอกเบี้ยเอ๋ยท้าเข้ามาอีกถ้ากูน้อยกข้มาพอใช้อีกถ้ากูมากก็ดอกเบี้ยเขามากว่าตาองสารมันเป็ี่ยนกันอยู่อย่างนี้ผู้ใดแครสลาว่าตาองสารผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดไม่เคสลาว่าตาสงสารผู้นั้นไม่เห็นธรรมผู้ใดละอ่าในวว่าตาสงสารผู้นั้นเห็นธรรม ผู้ใดไม่ละอาในวัดตาสงสารผู้นั้นไม่เห็นธรรมเนื้นเพื่อนก็ไม่ยินดีประพฤติทำด้วยเมื่อไม่ไม่ยินดีประพฤติทมก็คือไม่ยินดีประพฤติศีลด้วยก็คือไม่มเป็นยินดีประพฤติเอาประโยชน์ใส่ตนด้วยมีความหมายเดียวกันก็คือไม่ยินดีรักษาตนด้วยมีความหมายเดียวกันคือเบียดเบียนตนด้วยก็มีความหมายเดียวกันเธออย่างยินดีในโลกทั้งปวงชัพโฟโลกียพิรุษฐานยาอนิจจักกัจจานิย ผู้เห็นภัยในวัดตาสงสารอย่างเต็มที่ก็คือพิกษุขจะหัวดำของเขาไม่เป็นปัญหาจะไปเพศฆราวาสก็ตามเขาเรียกเขาภิกษุผู้ไมาเห็นภัยในวัตตาสงสารจะนุ่งเหลืองห่มเหลืองสักเพียงไหนก็ตามจะโกนผมสักเพียงไหนก็ตามจะทํำท่าทําทางสักเพียงไหนก็ตามเขาเรียกเขาไม่ใช่ยังไม่ใช่พิกษุจะเป็นธรรมเองก็ตามเขาเรียกเขาพิษสุได้พิษสุในทางพณิมัติจะเป็น คารวาก็ตามเขาเรียกคอฟิซูได้เราัง็นไพรในวัตตาสงสารเราเห็นแต่เพลในวัตตาสงสานหน้าเดียวไม่ใช่เพลในศีลในธรรมเพลในศีลในธรรมไม่ได้หมายความว่าเพลในวัตตาสงสารเพลเพื่อจะออกจากวัตตาสงสารเพลในศีลในธรรมเพลแข่งดีแข่งเด่นในอามิตรในวัตตาสงสารทุกสิ่งทุกอย่างมันเตรียมตัวเป็นสมบัติของเราและมันก็เตรียมตัวหนีเหมือนกันนั่นเราไม่อนี้จากว่านั้นก่นที่จะเรา นราไม่ไม่โยกมันมันก็ไม่โยกภาคนี้จากเรามือนกันสิ่งไหนที่ได้ดื่มแล้วกินแล้วให้ทานทำประโยชน์แล้วสิ่งนั้นจึงเป็นของเราสิ่งไหนที่ยังเป็นสาวธรรมะอยู่ในอนาคตสิ่งนั้นก็ยังเป็นของเราชัดทำชีวิตให้มีประโยชน์ทํากิจให้มีประโยชน์แก่พระพุทธศาสานาะแกตนด้วยดียกว่าไป น, นึกคิดอันอื่นนึกคิดในทางธรรมะของพุทธศาสานาะ เป็นทางเจริญก้าห้าของจิตใจถึงคิดจะรวมเงียบหรือไม่รวมเงียบก็ไม่เป็นปัญหาเนี่ยลองคิดในทางดีเพราะอาหารของกิจของใจนึกไปในทางดีจะเป็นอาหารที่ชอบจะนึกบทวันท่าองเขาไม่ห้ามความตึกเป็นเครื่องชั้นจรของโลกถ้าตึกไปในทางดีมันก็สั้จรโลกทางดีถ้าตึกไปในทางชั่วก็สั้จรโลกไปในทางผิดมันเจริญขึ้นอยู่กับ ผู้ใ <watering>, ข้ควรทำเป็นผ <me. isters> ู้เจริญผู้ไม่ใข้ควรทำก็ตรงกันข้ามธรรมะกาวังพระโบโหตัวผู้ใข้ควรทำเป็นผู้เจริญผู้ไม่ใข้ควรทำก็ตรงกันข้ามอาหารของใจก็คือธรรมะก็คือศีลอยู่ด้วยกับธรรมะอันนี้ยตาธรรมะไม่ใช่หรออันนี้ยตาศีลอันนี้ยตาธรรมะแปลว่าอนยศวาราชิกาธรรมะ ปาราชีศีลไม่ได้ว่าเนี่ยแล้วสวสดกันปาราชิกาธรรมาจัดเป็นธรรมเหมือนกันสิ่งไหนที่จัดเป็นศีลนะศีลนั้นก็จัดเป็นธรรมได้สีนั้นก็จัดเป็นสมาธิได้เหมือนกันเพราะศีลสีรานสติหึืถึงศีลที่ตรนรักษาสิ่งนันที่จัดเป็นพุทธธรรมสงฆ์ได้เป็นทางความสอนของพุทธธรรมสงฆ์ได้สิ่งนั้นก็จัดเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขารนุสติได้เหมือนกันนะนุสติแปลว่าเราลึกถึงวันคืนของผู้มีสติดีนัก วันคืนของผู้ไม่เห็นแก่หลับเป็นดีนักเพามไม่หลับมันมีอยู่หลายอย่างไม่หลับด้วยความฟุ้งซ่านไปในทางอื่นซึ่งไม่เกี่ยวกับธรรมะไมไ่เกี่ยวกับกุศลผลบุญเลยอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งไม่หลับด้วยสำเนี๊ยกสิ่งที่เป็นประโยชน์ในทางกุศลผลบุญอันนั้นเป็นข้อวัดจะนอนกลิ้งไปกลิงมาก็ตามก็ต้องมีกรรมฐานพิจารณาอยู่นะ ต้องมีธรรมะเป็นเครื่องพิจารณาอยู่แน่หนึ่งก็ต้องอันหนึ่ ง, ออนนงชาคณียโยกประกอบความเพียรเพื่อจะทำละใจของตัวให้หมดจดไม่เห็นแก่หลับปากนะอันตรายของภิกษุสามเณรสี่อย่างอดทนต่อคําสั่งสอนไม่ได้เมื่อต่อคําสั่งสอนขี้เกียจทาตาเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องทนความอดอยากไม่ได้สามเพื่อเพลินในตาเมคุณทยานอยากได้สุขยิ่งขึ้นไปสี่รักผู้หญิงภิกษุสามเณรผู้หวัง ความเจริญเสียตนระวังอย่าให้อันตรายสี่อย่างนิยมดีได้เราไป่ให้นกประธานควนเปลี่ยนสี่อย่างฉันว่ารัประทานเปลี่ยนระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานประธานรัฐประธานเพียนระบาบที่เกิดขึ้นแล้วภาวนาประทานเพี้ยนให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานอนุรักษ์คณาประทานเพียนรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมความเพียนสี่อย่างนี้เป็นคนเป็นความเพียนชอบควรประกอบให้มีในตนย่นความเพียนลงเป็นสอง เพียนละบาปบำเป็นบนครับจงย่นความเพียนลงเป็นอสองสิเพี้ยนละบาปบำเป็นบนครับจงย่นอริยสัจสี่ลงเป็นสองทุกสมุทัยนี้อดมรรคทุกกับสมุทัยเป็นของขวัญเว่นครับนักเันของขวัเจอให้มีมีความหมายอันเดียวกันเพราะสมาธิทุกเป็นเพวาะ้าพ า, าดึงไปแล้ว แต่สมาธินี้หน้าที่จะเคลื่อนสูงขึ้นไปเป็นลำดับตามมะตามผลสมาธิของพระอรหันต์สมาธิของระโตษะวะสมาิของสรพคะพราหมีสมาธิของพระอนาคามีสมาธิของพระอนาคามิอรหันต์สมาธิของพระสัพเพสมาธิของพระสัพพะเจ้าเป็นภูมิของใครขามันในตามฐานะของใครขามันเดชะท่านเด่ จำตอนนั้นอาไปเกณไม่ได้อริยสัจทัศนคนเชื่อสิ่งทุกคนเชื่อทนี้ละอายตระวาู้ติดโอส ต, ตะปะก็ุ้ควรตระว่ า, า้ติขภาหงษักะเป็นผู้ไดเรียนจำทรงธรรมจิจตวิสตรียามนากาคะระสิงของของตนเข้เป็นเระโยชน์เฉอปัญญาละโลกุติที่เป็ น, ร ป, นรรรประโยชน์่ใ้นประโยชน์อริยสัจเกียกับความนี้มีดีกว่าทัศ์ภายนอกมีเงินทองเป็นต้นตควรแสวงหาให้มในธรรมาน วิชาบัญยัติคือข้อท่านแท้จตุพุทธ้งมาสามอย่างหนึ่งสัพพิสูรภสังเสวะข้ท่ทนผู้รูทชอบด้วยกายวางกายใจที่เดียวจตุพุทธสองสับยธรรมัตสวนณะกองคาสั่งสอนของแท้และสรุปสาโยนิโสมนสิการติดต่อให้จักสิ่งทีรู้ชั่วโดยอบายที่ชอบที่ธรรมานุธรรมาปฏิปฏิาพุทธธรรมให้สมควรแต่ทราชในตรองเชนี้จนาะมีแ่ทล้วนพระที่เ็นเรื่จากสั่งอนมี่ทำล้วน มีแต่เนื้อไม่มีกล้าไม่มีกระดูกไม่บูดไม่เน่าเปิดดูเวลาไหนก็เป็นของใหม่ๆอยู่ไม่ใช่เป็นของเก่าเป็นของไทรละอยู่ไทรละในเรื่องต้นไทรละในทรากลางไทรละในพิฆาตไทรละในเรื่องต้นคือพระสุดารันไทรละในธรรมกลางคือพระจักขณาคานยานังค์ไทรละในพิฆาตคือพระรหัที่กัลยาณนางเบื่องต้นมักเตกัลยาณนางเรื่องกลาง แลุ้โยธาคานยานั้นแยกเป็นท่ายแค่ละเม็ดแล้วแยกต้นคือศีลข้ามกลางสมาธิท่ายคือปัญญามีความมาอันเดียวกันศีลมีอยู่ในที่ใดสมาธิก็มีศูลในปัญญาก็มีศีลในผ้มีปัญญาเ็าดักษาศีลเขาคุ้มผู้ไมมีปัญญาก็ทําสมาธิไม่ได้มีความมาอเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้นังงเอ็นกระดูกจะแยกออกจากกัน แค่แยกออกก็ walking, ar, แ, there, แยกออกเป็นยุคยีให้เข้าใจเอยไอ้แค่แยกฝันออกจากกันไม่ได้จะแยกดินแยกน้ำแยกไปแยกลมให้ออกจากกันออกไม่ได้ทำไมถึงแยแยกเพื่อให้เข้าใจครับดินแต่ละก้อนละก้อนก็มีธาตน้ำอยู่ทีนั้นก็มีธาตุไฟอยู่ทีนั้นก็มีธาตลมอยู่ทีนั่นไม่แต่ละอันแต่ละแท่งแทงก็มีธาตน้ำธาตุไฟทาตลมอยู่เหมือนกันเอาไม่ต่อไม่มาสีกันก็เป็นทาตก็เป็นไฟขึ้น ลมก็พัดไปนาอยู่มาอยู่ตามนี่หน้ากระพรองเป็นน้าก็ได้จะไม่เล็กแต่ละคว้านแล้วก็มีท่างดินน้าไพลมอยู่เหมือนกันที่กลางของมันก็เป็นทา่าลมออกไฟไปเผาก็เป็นหน้าเนี่ยก็มีธาตไก็มีลมพัดเอกใน่ฉะนั้นดินน้ า, าไรพาไรลมก็อาศัยชื่งกันด้วกันเนยเรียกว่ามหาปูธาภาพแล้วก็แบบชอาขึ้นความสงสัยในว่นทาที่สาม ถ้าสิ่งความสงสัยแก็จะมาจะไม่มาสงสัยอีกธรรมดาเราสงสัยอันไหนเราก็ต้องไปดูอันนั้นถ้าเราไม่สงสัยอันไหนเราก็ไม่ไปดูเพราะในขณะนี้เมื่อสงสัยในโรกก็คืนมาสร้างโลกอีกเมื่อสงสัยในเกลือก็จะคืนมาเกลือีกเมื่อสงสัยในเสียในเกิในตาก็จะคืนมาเกิดเจริก็ตายอีกเมื่อสงสัยในได้ก็จะสงสัยในเสียอีกทีนีงที่สมมูดว่าได้ทีนั้นก็ถูกว่าสมมติว่าเสียมันไม่เหมือนได้มักผลไม่ผ่าน เราก็ได้เกิดก็จะสมมติว่าสได้เสียว่าแกว่าแกว่าตายนะเ้าสมมุติว่าเราเป็นหนุ่มก็จะได้เสียจากหนุ่มไปเป็นแก่นะเราสมมุติว่าเราแกเราก็ได้แก่แล้วก็เราจะเสียจากแกไปเป็นตายก็เก็บเป็นตายนะนเดียวกันแล้วถ้า่กนี่หมายเอาขนาดไหนเนีายไมเอาแต่ถีอปฏิสนธิน้ำมันหยดเดียวในคันมารดาในมดลูกมาจนถึงก็แล้วล ะ, ละอัมพุทธะบัรจัสาขา เหมือนกินเหรนแก่ก็แก่มาเป็นลำดับลำดับเก็บาาก็เก็บมาเป็นลำดับรูดจักเก็บเป็นเหมือนกันเพราะไม่มีเวอยานที่นั่นแต่มันพูดมนเป็นก็ตายจากเข้าสายบ่ายเที่ยงมาเป็นลำดับมาเหมือนกันนั่นเดีวตลอดทั้งคอดออกตลอดทั้งทุกวันนี่ก็ตายจากเข้าสายใบเที่ยงมาก็แก่มาเป็นลำดับเก็บมาเป็นลำดับอยู่ทุกอุยทยทนี้แต่มันเคยกินก็ท้อมัน ม, มันไม่เก็บเพราะมันเคยกินให้ หายใจเข้าออกก็จัดว่าเก็บเหมือนกันเพราะบรรเทาความเจ็บ่บรรเทาความตายถ้าว่าหายใจเข้าออกไม่เจ็บจีบดูจมูกว่ายูสี <c oughs> ถ้าเรามันบรรเทาความเจ็บอ่ะนั่งการนั่งก็เก็บนั่งนานก็เก็บถ้ามีแต่นั่งทายเดียวช่องเรียนอีเรียนอิยาบทยืนบ้างเดินบ้างนอนบ้างโดวยว่ายืนเดินนั่งนอนภาวนาได้ทุกเวลา เราก็สามารถทํำผิดได้ทุกเวลาที น, นที้เราสามารถทํำผิดได้ทุกเวลาที่ก็สาม万าทำผิดได้ทุกเวลาเรานอนอยู่ทำผิดได้ไหมนอนแอ บ, บไปรับของเขาก็ได้เห็นเข้ามาก็นอเก็ บ, บลงอย่างนี้นอ <c oughs> นจะไปนอนก็มีเขาก็ผิดเหมือนกันนาะนั่นแล้ว เ, เราลับปลาเข้าบันเทิงไหมเน่ยรับลาเนื่องจากกระดูกข้าเขาอยู่มันมันก็ผิดเหมือนกันเนาะ ลืมตาบรรเทียนไ้ห ś? ลืมตาเพื่อจะจะทำลายคนอื่นลืมไปทำบาปลืมอ ะ, ะมันก็ได้เหมือนกันมันไม่ขึ้นอยู่กั บ, บรับตาเนี่มัขึ้นอยู่กับนั่งกับนอ น, น, นกับยืนกับเดินความผิดคนถูกมันขึ้นอยู่กับคณะผิดที่ไมไปไม่รักเราจะไปรับผิดยืนมันรับเอาความผิของเราไหมหรอนั่งมันรับเอาความผิของเรา ไ, ไหเนี่ยทีนี้เมื่อไงเราทำดยียืนเดินนั่งนอนมันมาเบี่ยงเอาเอาความดีของเราไหมหรอ ที Monate, um, ่เรายืนเลยนะนอนนอนนอนเดียวกันนอนนนในที่นี้นะคามองไรไม่ไม่รับส่วนรับแล้วก็เป็นเรื่องของของหลักใจทาโทษได้ทําทําโทษทําทําสิ่งที่เป็นโทษได้ทุกอธิยาบทก็ท้าวสามารถทําความมีในทุกอธิยาบทเหมือนกันความมีอยู่นักมวยเอกคู่ย่อขะนะนักมวยเอกพูดที่ดีก็พูดชื่อแย่มาชกกันอยู่นี่นี่อยู่ในสนามตีสนามใจ ออน้ำมอเอ็กยิงครับถ้าเวลาไหนตั่วมีกําลังมากมันก็ทกลีออกองิ่งเคกออกเลยถ้าเวลาไหนเนื้แปรสังลีมันก็เพกตั่วออกถ้าเวลาไหนมัน ม, มีโรคเี้ยวปวดเลงมันก็ชนะทีเรียกออกมาชนะเลยไม่ขบคืนชนะแล้วมันแท่คืนสีนั้นที่จิ้มก่อนสงสัยแล้วสีนั้นก็ไม่ขบคืนเช่นเราเห็นสกปรกกายเป็นไปด้วย สวยแน่อย่างนี้มันก็ไม่กำหนดคืนว่ามันจะสวยไงดี๋อว่าไงเนี่ยเสจะลงบ้างมาพีชนะดูมันก็ลงเอวยที่นี่เอานั่งเสงจะลงบ้างเอาสวยจริงไหมพินาดูสิโอ้ที่นี่ลงเออยแล้วที่นี่นั่นน็นางออกรู้นั่นเน้นคุยยังเธอสวยผ่านมาแล้วอยากเพิ่งให้คะแนนนราเขาผ่ามาแล้วเธอเสียมนักนะตอบมันหน่อยนะ เสร็จแน่เยนี่าอเนเตรียมนักเทพเตรียมรักสเกสบอกมันเราเรารู้จักตัวมานมานก็หน่ะหายไปพระบรม ศ, ศ, ศาสดาแลวนางพรานึกถึงพระราหุลกับนางพิมพาโอ้คงจะนอนกินนมกันอยู่หนาะเยว น, นี้เออเอรักัานางพิมพาเอเอเออนมก็อยู่ที่นั่นโยนี่ก็อยู่ที่นั่นไงที่นี่พระบรมสศารีร า, ศา แล้วล oh, so ึกขึ้นได้โอ้คิดแล้วมานมานมารูเข้ามาแล้วคณะคิดนี่จะมามานมานมานมาอย่าคนขว้เราแตฟก็พอรูดว่าถ้ามาแล้วมันก็หนีไปวันนี้ออกจากนี่นี่นี่พอรู้ว่าเท่าลืมจาร์เราก็เมื่อดอกนี้มันก็ไม่มันก็ไม่มาขวางอยู่ที่นั่ไเลย นก็ผลมาอยู่ห่ากันเพรข้าว เ, เนี่นี่เหตุเหตุดับผลก็ดับพร้อมกันเนี่ยนี่นั่นนั่ง น, นยังยังขาอยู่เนี่ยข <c oughs> ้าอยู่เนี่เห็นนั่งผลก็นั่งเห็นนอนผมก็นอนเห็ุพูดผลก็พูดเหตุจิตเหตุใจก็มอนกันทำไ ม, มนเนด้อตาเป็นผู้โดยดักเหตุอกข้ถึงนี่เป็นเหตุถูกถึงนี่เป็นเหตุแหกทุกข สักขตาเป็นผู้รู้จักผลนี่จัเข้าสุขคนส่วนแห่งเหตุอันนี้ทุกคนส่ลนแ่เอนี่ปฏิสันเนื้อตาเป็นผู้รู้จักประชุมชนในกิริยาที่ว่าพฤตต่อประชุมชนนั้นว่าหมู่นี้มาเข้ามาหาจะต้องทํากิริยาอย่างนี้และจะต้องพูดอย่างนี้เป็นต้นบุคลาโรตาลเนื้อตาเป็นผู้เลือกบุคคลว่าผู้นี้เป็นคนดีคนก็ผู้นี้เป็นคนไม่ดีคนก็เป็นต้นสารานี้ท่าเกิดยาหกย่างจริงป็นที่ตั้งให้ให้ความรู้ถึงชอบจากสารานี avia, ้ทำให้หกยา หนเข้าไปตั้งกายยังทำมากอบด้วยเมตตาในแพ่นที่สืบสัมพันธทั้งต่อหน้าในหลักดังคือคิดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนกันคือช่วยคนขวายิทธิ์เท่าของเพื่อนกันด้วยกายมีพยาบาลเป็นต้นโดยจิดเมตตาสองเข้าไปตั้งวิการณ์มากอเดื่อเมตตาในเพื่อนที่สืสัมพันธ์ทั้งสองนะครับหลังคือช่วยคนขวายิิ์เท่าของเพื่อนกันได้วาจากเช่นเก่าอย่างไรเปต้นสามเข้าไปตั้งมโนกรรมมาก่อเรื่องคิดเมตตาทั้งสอหน้าในหลักดังคือคิดแต่สิ่ง ที่เป็นประโยชน์แก่เคื่อกันที่แบงความราบผิดตนได้มาโดยชอบทำเนี้ยให้เสียเคื่องที่สื่อจะไม่ไม่หวงในวันไม่หวงใหนวรรณะของตัวเดียวถ้ารักษาศีลให้บริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนที่สู่อาม่เรีนอื่นไม่ทําตัวให้เป็นที่ดังเกียรของผู้อื่น6มีความเห็นร่วมกันกับเครื่องที่สื่อจะไม่เรีนอื่นไม่วิวาดกับใครเพราะมีความเห็นผิดกันทำหกอย่างนี้ทําผู้ไม่เป็นที่เคารพรัของผู้อื่นเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันการเป็นไปเพื่อความไม่วิวาดกันกันเป็นไปเพื่อความพร้อมเพียงเป็น เขาบอกเรามาาสตร์ศาสตร์ในวัดรอดต่อไปนั่งอายตะหนาภายในหกตาหูจะมาหมกเรื่องกายใจเองเหกก็เรียกอายุตระหน้าภายนอกหกูกหยั่งติดลูกก็จะบออารมณ์จะมาเกิดต้งกายทามาลงคือคืออารมจะเกิดกับใจอารมณ์หกก็เรียกก็พูดของเก่าไม่ใช่พูดของใหม่กายวายกาใจนี่ข้างนั้ย้ลงมาีเนี่ยดีก็พูดเนี้ยเป็นธรรมอบก็คนนี้พ ตกลงเขาใจเป็นผู้รับภาระหมดจะปฏิเสียใค้ใครเขาไม่รับปฏิเสธให้ตาเขาก็ไม่รับปฏิเสธให้หูเ้าเขาไม่รับจะทําทดีทําชั่วมาผู้รับผลรับเหผลรับผ ล, ล, บผ ล, ล, บผลก็ใจเป็นผู้รับตัดเพราใจเป็นผู้วางแผนจะเป็นเสธให้ใครไม่ได้น้ายะโกเป็นผู้นำจับช่างร้ายออกหรือนํานําบุคคลให้ผิดไปหรือนําตนให้ติดหรือนาเพื่อนให้ติด เพื่อนตาเพื่อนหูเพื่อนจมูกเพื่อนเลื่นเพื่อนกายที่นองกายคิดก็เพื่อนตาหูจมูกเลื่นกายเนี่ยใช้ได้ก็ต้องใช้เวลาใช้ไม่ได้บอกถ้ามันไม่ยินมันก็ไม่ได้ยินเวลาหงุดหงนดเนี่ยตามันไม่ไม่เห็นมันเป็นตาเก็บตาตาตาแดงตาแก่อย่างนี้มันก็ไม่เห็นสะดวกหรือมันมีผง่ข้าตาแต่ใช้ให้มันเห็นมันก็ไม่เห็นนะพยายามมันเจอยาก มาปกครองร่างกระดูกพยามัติราชถ้าว่าตนฉลาดจะจะมาเป็นเปรตเข้าร่างกระดูกทําไมจะมาเป็นเปรตเศร้าแก่เกิดแก่แกบตายทําไมพยานกิตราชเป็นผู้ฉลาดจะมาเป็นกังวลเป็นเปรเศร้าร่างกระดูกทำไมมาเป็นเปรตเศร้าร่างกระดูกทําไมมาเป็นเปรตเศ้าของเหม็นทําไมไม่ใช่พยานิตราชโง่จะตายหรือ ก่อนที่พญาจิตตลาจะโง่พรเหตุไดก็เพราะพญาจิตตลาดีเกลเป็นแ น, น่นาใช่ไหมนั่งใช่หันว่าหันกรด้างหันมันบอกได้พอๆแล้วเล็ดมันหัถ้าจะลุกพอนาะมันก็บอกว่าเออสักครู่ก่อนเถิดเกล็ดมันมากระติบสิโอกระิบี่หู รับอีกสักคู่ก่อนหน้ารับอีกสักคู่เถอะกิเลสปังเจงจะนี้จากมันพอไปได้ทุกคนสองตับาั้งก็พอแล้วม้ตัดคิดเองนในเวลาที่ยังไม่แย่ชรายรงรูงค้ความความเปลีๆๆล่ยนแปลงเพราะว่วาโลกยังไม่ ก, กลกแจ่ชรามาแล้วจะเสียใจภายหลังคนเราจะได้กาลัง ในทางธรรมะก็ยังมีคีออยู่ดีๆเรามีเองถ้าถ้าป่วยท่านที่เจรนาด้วยก็ลาบากอย่าบางท่านก็ได้กําลังในเวลาป่วยเพราะเคล็ดลับวุคเขายวสนามันเกิดขึ้นทําไมครัท่านจึงสอนให้นั่งถ้าทระมาณนก็ อ, อยากให้เห็นกวาทุกนั่นเองมันจะแสดงอะไรขึ้นบ้างผมทิ้งงอกขึ้นปุดบงังอณิจังอิทยาบท คิดบังทุกข์นันเหนือยยืนก็มานั่งพักนันเหนนั่งก็ไปยืนไปเดินก็นอนว่าอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเองคิดบังทุกข์สิ่งที่เป็นก้อนเป็นท่อดเนี่ยคิดบังอนัตตาก่อนที่จะว่าเราว่าเข า, ขเนนากระเพราะมันเป็นก่อนเป็นทอนก่อนที่จะว่าที่เนี่ยฮะกระเพาะมันเป็นก้อนเป็นทอดอย่างนี้ที่นี่ยื่นออกซัก เรื่อม mm ุงออกเทดานออกอะไรออกใส่ชื่อเนามากดจีอันนี้เขรื่องอกผมขนเนี่นฟันังเนี่กระดูกเนี่ยกระดูก้าดินก็เือออกภ้าหน้าก็ฤรออกผ้าชาก็ฤองออกผ้าลมก็เรือออกเนี่ยทงานสัญญาสังขารสัญญาก็ฤเ่องออกซ์เป็นภาษาเวาณาัญญาสังขารกายก็เป็นภษาเาว่ากายซรอออกเวชนาเขเป็นภาษเาว่าเวชนาซ่ารื่อออกสัญญาความจําก็เป็นภษาขาวความจํารืออกสังขารความปรุงแต่งแห่งกิตก็ เป็นแต่สักก็สังขารก็แยกออกเื่อออกยืนยันแต่แกสักว่ารูปทางตาทางหูทางจมูกทางรูปทางกายทางธรมารูเลื่อออกเป็นห้ากองแยกออกทึ้งคําว่าเราว่าเขาว่าสั้งบุคคลนั่นี่เอาเลื่อออกแล้วอุบายอุบาให้ให้ถอนอุปทานอุบายที่ถออุปทานก็มีหลยายอย่างทีนี้นที่มันเกิดขึ้นแล้วมันแปรปวนให้แกขลัง คือมันเห็นอันิจจังใน刹那เดียวเห็นทุกขังใน刹那เดียวกันเห็นอนัตตาใน刹ะเดียวกันมันอยู่คนระมุมโลกมันเห็นทัดใน刹那เดียวกันนันก็เลยวแที่จะประเยืนกันว่าของเราของเขาของสัตว์ของบุคคลทําเห็นทัะสิ่งที่เกิดที่ดับมันก็เกิดก็ดับอยู่สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับมันก็ไม่เกิดไม่ดับอยู่มันไม่เรียกว่าข้าพเจ้าเป็นของไม่เกิดไม่ดับข้าพเจ้าจะเป็นของท่านผู้นันของข้าพผนี้มันไม่ยืนยันทำทางรายก็ไม่ยืนยันทั้งขันทางรักก็ไม่ยืนนันทั้งขันอ่ะ ข้าพเจ้าเป็นผู้เกิดผู้ดับข้าจะดับข้าพเจ้าจะเป็นของพระกอพระขอพรคอพระงอหรือคนนั่นคนนี้หรืออย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่สิ่งท้งปวงธรรมะทั้งปวงไมง่ได้เย็นยันแต่ว่ากิลเลสจะเชยเ่ยวเย็นดกิเลความหลงขึ้นไปรู้เท่าถึงการก็เชเี่ยวเย็นดนก็เหมือนนกเขาไปจับที่ไห้ข ก, ข อ, กของกูของกูของกูอยู่เงี้ยขากูหูกูหูกูก กูกายก็กูใจก็กูโอ้นังเน่ยเอ็กระดูกของกูทั้งนั้นอ่ะเลี่ยงเอ็กระดูกว่าหัวใจตาป้องปวดแทบปวดไตปวดแทบเอะไตน่าอาหันน่อ่างเก่าแต่ละอย่างละอย่างมันก็เป็นของกูหมดอ่ะดีเสลี่ยนหนองเลือดดียก็ของกูเสลี่ยก็ของกูเลือดก็ของกูน้องก็ของกูเลือดก็ของกูเนื้อก็ของกูมันข้นกของกูน้ำลายก็ของกูน้ำมูกก็ของกูน้ำไข้คอของกูน้ำมูก พาตุธาตหน้าของกูธาตุไฟไฟที่ยงกายให้อุ่นไฟที่ยงกายให้ชุ่มชงไฟทียงกายให้ชุดกวนกวายไฟที่เขาอาหารให้ยอดกับของกูแต่ละอย่างได้อย่างได้อย่างได้อย่างลมพัดขึ้นบางบนนมหายลมเลอลมอ้วกนมอาเจียนออกลมพัดลงบางต่ำถ้าว่าของกูทําไมไม่ถูกกันกับจมูกที่นลมพัดลงบางต่ำเอามาใส่จมูกดูสิก็ไม่ถูกกันที่นี่ทะเลกันแล้วอ่ะ นั่องที่รับทานลงไปคพรว่าอร่อยอร่อยก็ให้คะแนนกันในคืนเดียวทั้งตื่นขึ้นมาเพราะบวดน้ำลายติ๊ดติดเลยเข้าไปในห้องน้านเวลากินก็กินอย่างผงผายใช่ไหมนั่นให้พรเชื้ด้วยยิ้มด้วยยิ้มตะที่ยิ้มด้วยยิ้มตะที่นี่เวลาจระถายว่าปิดนะทีนี่ กินยางเปิดเผยกระถายที่รับร่างจริงนะจริงที่ว่าอร่อยจีนนั่นจะผูกรถตำแหน่งว่าเหมือน น, นนะ ค, นนน <c oughs> คืนเดียวท่านั้นรถตำแหน่งกันคืนเดียวคืนเดีวรถตำแหน่งกันของดื่มก็เหมือนกันหวานจริงหวานจริงแต่ปัสวะออกแล้วก็ต่อหาที่กำบังอีกอ่ะอเหม็นจะริงนโะูกนผะ้าเขาล่างกระต่ายปัสะาวะอ๋อ นี isty, ่างงูน er ี่เป็นธรรมะทั้งนั้นแหละอย่างเรานี่เป็นธรรมะเพื่อจะถอนราคะของเราเมื่อถอนราคะบ้างก็ถอนโทสะบ้างเหมือนกันก็ถอนโมหะบ้างเหมือนกันเมื่อถอนราคะได้สิ้นเชิงโทสะก็ได้สิ้นเชิงเหมือนกันโมหะก็เบาลงเหมือนกันหมดไหว่ก็คือไหว้ใจของเราเพราะเพื่อพระธรรมประสงค์อยู่ที่ดวงใจของเราเนี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นเขาทำดีเขาทาให้เราทำชั่วก็ทําให้เรา เราคือใจใจคือเราตามสมมติถ้าไม่สมมติว่าเราว่าเขาก็ไม่มีสิ่งที่จะปฏิบัติถ้าไม่ลบออกก็ไม่ไม่ีสิ่งที่จะลบ ส, สิ่งที่แรกก็สอนให้ว่าเราของเราของเขาจะขวางเมื่อรู้เท่าทัดสูงแค่ปลายแล้วก็จะมาเรียนกรสระกลางวาสระส า, าอีกก็มาเรียนละสิ่งส <c oughs> ามทําม า, ชาเชื่อใจรังเจ้าขุนทุกงาต้องสายที่เรียนรู้กติปัญจิตที่เลยนรู้คัจฉะสัมพันธ ลูกคนทขาจเป็นเป็นทุกขตายทุกข์ใจกะเพาะเสีนจิตป่าปีาวพ่ายสายเกียกะพาะสี้นดเี่ยนเดียนมากถึงมีสียเงนทุนเียด้โชคาชางพัฒนาสียได้โชสมบัติช่างพ่ายนอกภายในกรพาะสีนเสียได้ที่พูดติเงี้ยตีจไปถึงขั้นเนี้พานกพาะส้นเดี๋ยวทีนเนี้ยสไปถึงขั้นเน้ยพ่านกรเพาะสี เพพาะท่านก็ได้ท่านอันนี้สองท่านอัจิโยอนุสามยียถ้าเกิดมาในภพใดชาตใดก็มามีใครจะประจวได้อจิโยแปลว่าไม่มีผู้ใดประชวรได้อนุสามรย์พระหายกากก็ม่มีเลยสุสังขารกายและคติอาสาธารณะมันเลยสังสสสาาเก ต, เทสสตีท่านนี่ศีลนพ่้อหน้าว่าจะคลองอาสาธารณะไปในปารนาเพราะพระเจ้าอะไรพระเจ้าโคตรด ศาสนาพุทธพ่มอะไรศิลป์ศาอรหันต์ศาสร์คีย์นาศอะไรเคว่านะพสสาตนาครับชัวนนาตาชั่ซาราตาัสันานั่งสรูปพระตาอาชีสประจำพรว่วารูอะไรนี่บริษักบริวามนี่หุ้มอันยอดกี่ลากีเดจะเกินไปอย่างรก็ได้ไม่เชื่อผดไม่จำผดไม่อดผดไม่ขผดนะครับอาชีพประจำพระรวารู้มีบริษัทบริวารมีมุคพ้นผู้ห่างมีมุขเป็นคนขาดงูขาดเปลือกนี่ จังหาวัตถุสี่ย่างภานะสาะให้ปันเป็ของผู้อื่นเกิดผลปรีโยชกันปียาวาจาวาจาที่อ่อนหวานอภะกัลยาประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสีสมาัะตตาคอาเป็นผู้มีคนเสมอในทีตัวคุณสี่อย่างนี่เป็นเครื่องยึดเหนียวน่าใจของท่านผู้อื่นได้บอกกลมกลมโตไรอันถ้าประโยชนถ้าฆราว่าพิอ๊อกไปียวถ้าต้องหาสิ่งที่ขอบเขเข้ามาบวชแม้ว่าเขาจะตสนา บวกบวกลับกบระานกระสังแล้วออกไฟขัดออกไฟแล้วนะข้อแปลกระเือ ก, กินเหล่าสักเรีนบวกเรีนเบียสักเรียนรบายยมุกสักเรียนสาวสักมีเมี่อยู่คดีไปเจร้อเลยะจะหาชินท้ามวศขํามด็ดีสมัานะเข้ามาบวชกรรมฐ า, านว่า้มฉันะขันเป็นยังสั่งก็เห็นมันตางเห็นมันตางจาก บวชดวาา้ตายใช่ไหครับชสเรียกวได้ยกินกผู้กินพระเนี่ยาาเขาก็ะดูดูได้นะนไดนขขนเนีนขขนเน่พวกนี่เน้ประโยต์ทุกคนเนี่ยอบมาบวชางีริเนี่ยเป็นโยต์ชุกมคนเนยัวหน้านี่เขาบอกกินเหล้าตเช้าเลดีวออกไปมาที่เห็นน้องปูน้องปลาขายเขบอเห็นหัวนาปนี้เศาเลยหัวหน้าปนี่หัวมีเทียนาบวชดูหัน้า ป, น, า น, า น, น, าปนี่พกกลางมอสุรศักหมดเนี่ยโมกิน ห, อหน่อหลายหลายคนพวก สารยเอฟสร้างส่มา้าบวชันก็เป็นา่าตุนเะือคู่วิเชียนเนี่ยที่ออกไปออก็พ่กินเหล่ายวยว่าย้วยว่า ก, กินเหล้ารือเ่าวิเชียนย่างใช่ได้แรือไม่ห้าวท่านท่านท่านท่านคนใจดีย่างเนี่ยหน้าเนี่ยกระถ่านมันหิ้วหูออกประเด็นโบกก็โม่ที่มันหิ้วหูออกหิูหูออกประเทศว่านะอะไรมันอ้ไรมัน มอบร่องขาผมงอเววิวว่าสันงอบร่องมึงยอมขวดใ่เล่าขวดมข้ามานหนึ่งนะนเอาว่าดึงจค่ทก็ตายแต่ว่ามนั่งขาไห้จะปลุกอมึนยังม่รู้บอกขนาดนี้เาก็ฟังปลุอ่ะมังชี้แคให้ื่นแต่เ่ทาก็ตื่นไม่ตื่ก็ตืนพี่กแต่เพบให้ตือนตื่นอหูออกแล้วอีอแค่าักตั้ตานุสีของาเข่ามันบ่กย่างเี่ย หนูออกจากวงบบกอะไรบักเทียงนะแ้วไปมาเรนโบกนั่เยแต่วปเมาเรีนไทเนี่ยมันเป็น่งเขาถอนรัท่วงเดียวเนี่ยใครแย่แบเนี้เดียนี่ยเจ้าแล้วอสั่งแบบนี้หัวอยลงแล้วอสสั่จะคู่ต่ปกคู่น้่ประโยชน์ไรเว้ยบอกบอกไปอย่างแต่่าคู่หมางยังไม่ทันว่าเจ้ากระไรเข้าแล้วเจ้าแล้วเราเรียนปกคู่ว่าหมดที่นี่้วกม่หวเลย ปกติทั้งเมดเอ็ดในฝนไหลถึงอกไผแไม่ไปเห็ดม่ามะล่าในทเ่าเขาดดถูกเงินธาตุเจ้าสงาราซีแห่งหนอฉันนำอ้อยนำตาลแงมือแร่งถ้ากันงี้ฉันเพื่อเพื่อบำบัดโลกเพื่อให้มันผ่องมันทายเพ่ถูกงุงสันว่าหาต่างเขาต่างลำเ็นวัดป่าชิตีที่ชอื่ืนเนี่ยเพื่อเ่ให้อาภาษ์กกวน ไม่ยาพาจิตกาเมตานั่งปฏิภาสายะอภิยากรักรปมากายเตี้ยยหายภิยะกัมเลิกไม่ไ้ไม่อยาพาจิกาัเมตเอเดนานั่งปฏิภาสายะปฏิภาสายะเพื่อให้ร่างฐามเสีอหามกัคตโรข้าวปวงให้มันเแบบเท่าแล้น